ระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15หธันวาคม2556มีชื่อเรื่องว่าคนละไม้คนละมืออยู่ในบ้านคุยกันมาพอแลงแล้วละ่ะมาในวัดของพุโทโธพุโทโธมันจริงจะถูก มาในวัดยังมาคุยกันอีกสนานวันไว้อีกแปลว่าคุยทั้งบ้านมาถึงวัดก็คุยอยู่ในวัดอีกมาในวัดต่อนั่งรับตานพุโทโธพุโทโธมันจริงจะถูกมาวัดก็ยังมาคุยกันอีกพวกคณะสะัต ย, ยาญาติโยมลูกหลานได้เห็นสังเกตไหมอาหารมีตังเยอะแยะแต่ก็ไม่มีใครอยากจะบวชวนี่ก็แปลกเหมือนกันเออเลืออยู่เลือฉัน อ, อาหารแต่ไม่มีใครบวช ไม่มีใครจะบวชมันแปลกเหมือนกันนะออตามไม่จริงตามไม่จริงอาหารเยอะอย่างนี้มันน่า จ, จะมีคนมาบวชเยอะๆไม่ใช่เหมือนกับคนวัวกับเขาวัวลักษณะอย่างนั้นนะเป็นฆราวาสญาติโยนเหมือนกับคนวัวเป็นพระเหมือนกับเขาวัวเห็นสังเกตดูนนะที่ลูกพ่อคุณใช่ไหมวันนี้เป็นวันที่ 15หธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 6ร้อยงานของหลวงปู่ของเราวันที่หมกราคม57วันนี้เป็นวันที่15ก็ยังเหลืออยู่22วันนะคณะสัา ญ, ญาติโยม22วันก็คงเป็นงานเป็นงานพระราชทานเพลิงสรีระขององค์หลวงปู่ของพวกเรา ยังไม่กี่วันน้อยมากแล้วก็หลวงพ่อเองก็สาาตัตยาธิษยโยมได้เอาฟางหรือเอาเฟืองมากองกองไว้พวกเราคณะสาาตัตยาธิษยโยมวันนี้เป็นวันอาทิตย์จะช่วยกันไปปูเฟืองก็ได้นะเพราะว่ามันเพียงสองสามอาทิตย์ก็ไม่มากแล้วก็คิดว่าน่าจะปูเฟืองได้แล้วจะไปปูที่ไหน ห้ช่วยช่วยกันกูบาก็ช่วยชวยกันบอกกล่าวพันด้วยนะถ้าหาว่าอยู่ใกล้วันจริงๆเราปูก็คงจะช้าไปเพราะนั้นงานของเราก็ไม่ต้องคอยกันละแต่ว่าก็มีผู้แนะนำบอกกล่าวบอกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเอ่ยจะเฝ้าปูดนะ้วฟงังถ้าปูลงไปแล้วน้ำค้างน้ำไอ้ดินมันขึ้นมา แล้วก็ฝนตกจะทําให้ฟางเป็นตัวไรตัวอะไรตัวหมัดโอ้โอเยอะนะหลวงพ่อนะอันนี้เขาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยว่าเอออย่าพึ่งปูนะลูกหลานเนอะถ้าได้ม า, อากองๆองไปก่อนแต่บัดนี้มันกใกล้แล้วนะเพียงสาอาทิตย์เท่านั้เองพวกเราจะใกล้ๆแล้วจึงจะปูกว่าคงจะไ ม, ไม่ไม่ไม่ไม่ไหวเพราะฉะนั้นถึงจะปูก็คิดว่าอากาศตรงนี้ก็คงไม่เป็นไรมั้งแดดมันเผาอยู่แล้ว ถ้าไม่ปูเป็นยังไงหลวงพอ่อถ้าไม่ปูมันควันฝุ่นมันฟุ้งพอฝุ่นมันฟุ้งแล้วเนี่ยในดินของเราในจุดนั้นหลวงพ่อได้เดินลาดตะเวนดูแล้วมันเป็นหญ้า ก, กระแตบนะหญ้ากระแตบที่มันติดผ้าน่ยแต่ภาษาทางนี้คงจะรู้นะมันติดผ้าติดอะไรมันเหมือนกับมันมีน้หนามๆน่ะมันติดแต่พร้อมกันก็มีไมยราบไมยราบสีขาวเป็นหนามเราเดินไปนะโห ถ้าหากว่าเรานั่งตรงไหนเนี่ยมันพร้อมที่จะปักเราได้ถ้าเราปูฟางสัถ้ามีเฟืองหรือปูหรือมีาศาสตร์ปูทับอีกเราเรานั่งก็ได้ส บ, บายๆพอเราจะต้องนั่งนานนะพองานพระราชพิธีอย่างน้อยเราก็ต้องมาก่อนฟ้าหญิงแล้วก่อนสเสด็จประมาณสักหนึ่งชั่วโมงมาเข้าประจําที่ในขณะที่เข้าประจําที่น่ก็เราคงจะ นั่งให้สบายสบายถ้ามีเสือมีฟางปูพวกเราคงจะสบายเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกกล่าวคณะทศไทยญาติโยมในละแวกนี้ถ้าหาว่าผู้ใดจะมาจังหานตอนเช้าควรจะเอาฟางใส่ยัดใส่ในรถไว้ตอนเย็นพอถึงมาจังหารเสร็จแล้วก็เอาฟางลงที่นี่ก็จะปูให้คนนั่งก็จะเกิดประโยชน์ก็พร้อมกันหลวงพ่อก็บอกมาว่า ซาดไม่ใช่สาดดิบดีอะไรหรอกจะเป็นผ้ายางก็ได้จะผ้าสแลนก็ได้เรื่องว่าจะเสือก็ได้เสือกกเสือราคาทุกโตกนะเอามาไว้ที่วัดป่าวิเวกพัฒนารามของเรา เ, าเมื่อถึงวันงานพวกเราก็จะได้ปูให้คนนั่ง เ, เพื่อความสะดวกสบายของแขกคนที่เข้ามาในงานของพวกเรา อันนี้ก็จะเกิดประโยชน์นะรพร้อมกันหลวงพ่อเองก็ได้ประกาศอีกว่าในงานของหลวงปู่ของเราวัดต่างๆวัดต่างๆวัดเล็กวัดน้อยที่ได้รับผ้ามาแล้วแตกองทิ้งไว้เฉยๆควรจะเอามาห่อให้เป็นระเบียบห่อให้สวยงามจากนั้นเราก็จะจ่าถวายพระครูบาอาจารย์ที่มาร่วม ง, งานในวันที่ห้า ทอดผ้าบางจะกุูก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนาลูกหลานหน้าในนรหลวงพ่อก็ได้บอกวัดต่างๆหรือตลอดตลอดถึงศรัทธาญาติโยมผู้ที่จะนำผ้ามาถวายอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปูย่ย่าตาย า, ายวงศาคณาญาติญาติพิหายพวกเราลำลึกได้เออคนนั้นตายไปนมนานเราไม่เคยทำบุญอุทิศให้เขาเลยอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าพ่อแม่ของเรา ทิ้งมรดกไว้ให้กับพวกเราเราก็ไม่เคยคิดถึงท่านเลยอย่างนี้งานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่พระสงฆ์มาเป็นหลายพันรูปพวกเราก็จะได้นำผ้าไตรหรือผ้าไม้มาถวายสมทบเข้าไปในงานของหลวงปู่เพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนะลกหลานนะแต่ช่วงนี้ทางวัดของเราเรื่องว่าทางคณะสงฆ์ที่จัดการ ก็เห็นว่าเรื่องพาดไรเรื่องผ้าขาวนี่มีความจาเป็นต้องการอยู่อยากจะเอามาถวายครูบาอาจารย์มาร่วมในงานถ้าว่าผู้ใดไม่หนักหนาเอามาร่วมได้แล้วก็พร้อมกันพวกอาหารยาวข้าวสารอาหารแห้งพวกผักพวกเรามีโรงครัวแล้วก็พร้อมกันอย่างวันนี้ละ่ะวันเสาร์อาทิตย์บางทีมีรถวัดมาตั้งหลายคัน ลงมาก็มากินข้าวมาทานอาหารที่โรงครัวของเราอาหารโรงครัวของเราก็ไม่ใช่ว่าจะเสียข้าท้าเป่าฟู่มฟ้ฟาดไม่ใช่อย่างนั้นอาหารก็มาจากสัทยายาติโยมทาาว่าพวกเราอยู่ในละแวกนี้ใครเห็นมะละกอบางฟักแฟนแตงกวาบางผักบ้างเอาเข้าโรงครัวนะก็จะได้เลี้ยงแขกเลี้ยงคนก็เป็นบุญเป็นกุศลสาหรับพวกเราเหมือนกันนะพี่น้องลูกหลาน ทางนี้ทางนั้นไม่ใช่หลวงพ่ออินขี่ขอนะไม่ใช่หลวงพ่ออินขี่ขอนะหลวงพ่ออินบอกว่าหลวงพ่ออินมายืนอยู่จุดนี้มายืนอยู่ในจุดนี้มาทํางานอยู่ในจุดนี้ต้องการอะไรหลวงพ่อบอกความต้องการของคณะสงฆ์ที่จัดการแจ้งข่าวให้คณะสัตา ย, ยาติโจมได้ฟังถาว่าพวกเราถ้าหลวงพ่อไม่บอกไม่กล่าวพวกเราจะรู้ได้ยังไงว่างานอนี้ต้องการอะไร เอามาก็ผิดประเภทมากองไว้เฉยๆไม่เกิดประโยชน์แต่นี้สิ่งที่ต้องการอย่างที่พูดให้ฟังนี่แหละเพราะนั้นผู้ใดมีศรัทธานะผู้ใดมีศรัทธาก็นะ ม, านะมารวมรวมกันถ้าใครไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่ว่ากันนะเผอเผ้อจะมาตําหนิหลวงพ่อเอ็นอีกถ้าเป็นประเภทอย่างนั้นนะอย่ามาอยู่ใกล้ให้ไหนหนีไปไกลๆเอามือควาหลังแล้วมเดนะินตินั่นมเดินตะีนี่ เพอๆเรานะหิวข้าวมากินตำสมละกอเอามากินขวยเติว่วในวัดของเราอีกแปลว่าหนักวัดถ้าคิดอย่างนั้นนะไม่ควรจะมาใกล้ถ้าไม่มีใครไม่มีศรัทธาไม่อยากจะได้บุญให้หนีออกห่างๆฮะหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะหลวงพ่ออินไม่ใช่ว่าเถียนตรงนะอหลวงพ่อเ พ, พราะพระธรรมนิยมนั้นเหมือนกันเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้น ก็เป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายไปคิดไม่ใช่จะเอาจะข้างเข้าข้างตัวเองนะ เ, เพราะงานของหลวงปู่ของเราไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่งานของหลวงพ่อนะอย่าไปคิดว่างานของหลวงพ่อนะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในขณะที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่พวกเราคานเขาแล้วคานเขาอีกคานเพื่อจะให้หลวงปู่เคาะหัวให้เพื่อเป็นสิริเป็นมงคล ในเมื่อท่านตายเพื่นเอามือคุ้ยหลังไม่ใช่หน้าที่ของขากเนะีเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมเออมันหน้าที่ถูกไหมยอย่างนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของพวกลูกพวกหลาดพวกชาวพุทธที่มีสัมมาคารวะผู้ที่รักเคารพในองค์หลวงปู่เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะงานหลวงปู่ครั้งนี้เป็นงานครั้งสุดท้ายเป็นงานที่สิ้นสุดเออที่โบราณเขาบอกว่าเก็บดุหลังฝังดุข้าง ให้กับองค์หลวงปู่เพื่อเทิดทูนบูชาพร ะ, พระคุณของหลวงปู่ให้ดีที่สุดพี่น้องมาจา ก, จา ก, จากตุระกษิตมาจากทิศทั้งสี่วันนั้นวันที่ห้าพวกเราจะได้เห็นว่ามากน้อยแค่ไหนแต่หลวงพ่อเองก็เพียงแต่ประมาณการว่าคนไม่ต่ำกว่า56าหกหมื่นคนที่มาในงานนี้อาจจะกว่าก็ได้อาจจะไม่ถึงก็ได้วันที่6น่ะพวกเราดูก็แล้วกันมากน้อยแค่ไหน เพราะนั้นขอให้พวกคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานน้ามาในงานนี้มาด้วยจิตศรัทธามาเห็นสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องช่วยกันคิดช่วยกันทำขนาดาใส่เสื้อสูตรมากก็เถอะนะใส่รองเท้าอย่างดีมากก็เถอะถ้าเห็นขยะเห็นถุงพลาสติกตกเลี่ยราดพวกเราก็เก็บได้เราไม่ได้เก็บเพื่ออะไรเก็บเพื่อบูชาพระคุณของหลวงปู่ วัดของหลวงปู่ uh. ไม่น่าจะโศ ก, กปรกอย่างนี้เพราะเราในฐานะศิษยานุศิษย์ลูกหลานของหลวงปู่เราเพื่อจะน้อมทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่ถ้าเข้าไปในห้องน้ําเห็นห้องน้กกําศกปรกเราก็พร้อมที่จะล้างห้องน้ําไร้อีกเออเพราะอะไร เ, ออ เ, เ, เราทําเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่วัดหลวงปู่ไม่ท่าไม่น่าจะโศ ก, กปรกอย่างนี้อ่าน่าจะสะอาดเราในฐานะศิษย์ลูกหลานของหลวงปู่ นั่นแหละทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างนั้นเพราะาวัดลวกปู่ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดหลวงปู่เป็นสาธารณะลูกหลานทุกคนเมื่อเราทําไปแล้วเราก็จะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากว่าเราได้มางานของหลวงปู่ได้มาช่วยได้มากราบคารวะหลวงปู่แล้วเราได้ทําความสะอาดกับองค์หลวงปู่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นไหมที่วัดป่าบ้านตาดเวลากลางคืนประมาณ4ี่ห้าหทุ่มหรือตีหนึ่ง มีพระแก่แกถุงถือถุงพลาสติกขนละข้างถือขุนลากถุงพลาสติกไปนะเพื่อไปเก็บไข่ในบริเวณสาราบริเวณต่างๆใส่ในมือของท่านกระสวมถุงพลาสติกแล้วก็ยางรัดแล้วท่านกับจิบถุงเศษกระดาษพวกขวดพวกแก้วพวกอะไรใส่ในถุงดำท่านกับดับสององค์ก็ลากไปแต่เราดูสิพระแก่แก แต่ไปถามดูสิเออล้วนแล้วแต่ 30, 40, สามสิบสี่สิบพรรษาทั้งนั้นเลยเอะกลางคืนท่านทำเพื่ออะไรทำเพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาฮะนี่นะท่านเห็นพระคุณพระคุณของพ่อแม่ตูบาอาจารย์ไม่ใช่พระแก่ๆธรรมดานะฮะหลวงพ่อไปเห็นโอ้โหเอออย่างนี้สิน อ, อเราจึงทำ เ, เพื่อเท่อทูนบูชาองค์หลวงตา ไม่ใช่ว่ า, อาพอบวชเข้ามาแล้วไม่เท่าไหรเ่เดินแล้วไปกระเยยบขี้ไก่ไม่แตกทำอะไรละงหงละแ ง, ง่ทำว่าข้าานี่เป็นใครใครม่งขานี่ไม่ทำอย่างนั้นหรอกเสียศักดิ์ศรีฮะไม่น่าจะเป็นหลักอย่างนั้นถ้าเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วต้องสยบต้องทำได้ทุกอย่างเพื่อพ่อเพื่อแม่ของเราเพื่อครูบาอาจารย์ของพวกเรา เพราะนั้นการพูดกันกล่าวทั้งนี้ก็เพื่อให้พวกเราคณะสิทธิอนุสิตทั้งหลายให้สํานึกในพระคุณขององค์หลวงตาและก็พร้อมการหลวงพ่อเคยบอกย้าําบอกกล่าวที่วัดป่าบ้านตาหลวงพ่อบอกว่ามีสถานที่แห่งนี้ อ, อ, อย่างสถานที่วัดป่าวิเวกพัฒนารามขององค์หลวงปู่จามหลวงปู่จามจำพรรษาที่นี่ป็นเวลาถึงสี่สบสมสีสิปีเวลานานที่เดียวเลย เพราะนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุก็เสด็จมาที่พระเจดีย์องค์หลวงปู่ท่านเคยพูดเคยเล่าให้กับพวกเราได้ฟังแสดงว่าภูมิมกากพดีลูกขะกอดีเป็นสถานที่เคารพสักการะหลวงปู่ของเราไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอยู่จุดนี้นานขนาดไหนแสดงว่าดินถิ่นฐานแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ใครก็ตามคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีคนนั้นจะเป็นบาปอากุศลติดพบติดชาติไปนานอย่างเช่นฮะพวกเรามาเห็นโทรศัพท์เขาวางไว้เขาลืมฮะเราก็ไปหยิบโทรศัพท์เขาไปเห็นรองเท้าเขาสวยกว่าเราก็ไปใส่รองเท้าเขาขโมยรองเท้าเขาหรือว่าไปกรีดกระเป๋าเขา ไปขโมยสิ่งของของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาทําในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้บาปอักุสนจะติดพบติดชาติเกิดมาพบไรชาติใดพอตายจากชาตินี้กันะไปตกนรกหมกไหมเกิดมาพบในาชาติหน้าก็เป็นคนยากคนจนเอ่อเป็นขโมยโพยโจรเกิดมาพบไรชาติใดได้ของมาหน่อยหนึ่งมีแต่ขโมยมาขาโมยสิ่งของของเราเราจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะเราทำำํทากรรมทําบาปอกุศล ทำบาปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้แต่ถ้าเราพวกเราทำบุญนะคิดดีทำดีพูดดีณสถานที่แห่งนี้มาแล้วก็มานั่งภาวนาพุทโธพุทโธบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราพราะพวกเรามาอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านมีต่ประกอบคุณงามความดีไว้ณนะสถานที่แห่งนี้เพราะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคน มานัสถานที่แห่งนี้แล้วควรจะประกอบแต่คุณงามความดีควรสร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตคู่สู่ใจอยู่ข้างนอกเราไปสาะแสวงหาอย่างอื่นก็ได้แต่มาสถานที่แห่งนี้ควรจะน้อมจิตน้อมใจต่อคุณงามความดีต่อบุญกุศลนั้นบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราเป็นมหาสาลทวีคูณพูดง่ายๆนะ พอเรามาทำมากราบมาไหว้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะทัดธาญาติโยมลูกหลานเอและก็พร้อมกันอย่างที่ลุงพ่อได้พูดถ้าใครไม่ถ้ามีเวลาว่างๆวันนี้กันะไปแจกใจใหญขยายไปปูฟางไปปูเฟืองให้กับพวกคนอื่นนั่งอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลนะลูกหลานนะอย่างพระอินทร์ น, นิทานของพระอินทร์มัคคะมานพ นี่ะท่านไปนักสถานที่ใดท่านไปไปยืนดูหนังฟังราไปนักสถานที่ชุมชนท่านจะไปกว่าที่ท่านยืนพอยืนเสร็จแล้วเนี่ยท่านยืนที่สะอาดคนก็มาแย่งมาแย่งมาแย่งยืนตรงที่ท่านยืนท่านก็ขยับใหออ้แล้วก็ไปหาที่นั่งออปัดกวาดสำรวมความสะอาดหาไม้พาดให้ดีเป็นที่นั่งคนก็มาแย่งท่านก็ออก ยืนลุกออกไปให้ท่านเขาเออมนุษย์นี่ชอบสุขมีความสุขทนายสถานที่ไหนที่ปลอดภัยสถานที่ไหนนั่งสบายยืนสบายมนุษย์นี่ชอบจากนั้นท่านก็จัดสถานทีออ่อย่างพวกเราปูฟางให้คนนั่งนี่แหละเอามากับปูฟางให้คนถ่างปูฟางให้คนนั่ ง, ง, นนงเออจากนั้นก่อ น, นี่อันิสงของท่านกับไปเกิดบนสวรรค์เป็นพระอินทร์นะ อันนี้ก็เหมือนกันนะอย่างน้อยพวกเราไม่เป็นพระอินทร์ก็เถอะพระอินทร์มีองค์เดียวใช่ไหมอยู่บนสวรรค์สั้นดาววดึงแต่พวกเราอาจจะพอทําคุณงามความดีแล้วบุญกุศลเราจะเป็นเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราจะเป็นเจ้าเมืองนั้นเจ้าเมืองนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นอมรตอนายกก็ไม่มีใครที่จะมาแย่งเราเพราะเหตุไรเพราะเราเคยปูฟางปูเฟืองให้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทรงศีล ผู้มาประกอบคุณงามความดีเข้ามานั่งในที่นั่งของเรานะบุญกุศลนี่จะคุ้มครองพวกเรานานเท่านานแต่พวกเรามีแต่ไปแย่งคนอื่นเขานะได้เป็นนายกกวดีได้เป็นผู้ว่า ก, กว่าดีได้เป็นผู้กํากับกวดีมีแต่ใครจะจะมาแย่งตําแหน่งของตัวเองเลื่อยขาเก้าอี้ของตัวเองนี่แหละแปลว่าไม่มีอันดิสงเพราะฉะนั้นพวกเราควรสร้างอันิสง์ไว้ให้กับตัวเองนะ คณะสัายาญาโมลูกลาห้ฟังเอาไว้อันนี้คือนิทานที่ว่ า, ามรคมนุมาในพระไตรปิฎกนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยท่านไปที่ใดท่านชอบทำความสะอาดอาจากนั้นคนก็มาแย่งท่านท่านก็จะขยัยไพ่จนถึงว่ า, ามนุษย์นี่ต้องการที่สะดวกสบายาที่ปลอดภัยที่นั่งสบายที่ยืนสบาย เ, าเหมือนกับเราท่านก็เลยจัดสถานที่ให้คนนั่ง ไปที่ไหนทั้งจัดเลย เ, เสียท่านว่าความยอมการยอมเสียเปรียบคนน่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลถ้าใครมีแต่เอาเปรียบคนอื่นนะ่ะเป็นบาปน ะ, ะถ้าใครยอมเสียเปรียบคนนะ่ะเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจวันนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยาญาณโยมลูกหลานทุกคนนะเอาต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์จารุโมธนาให้พรรับพรในะที่นี้นะวันที่เป็นวันอาทิตย์นะหลวงพ่อก็เลยพูดยืดยาวให้กับพวกเราท่านทั้งหลาย มาทำบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้นะอีกยี่สิบสองวันเนอะจากนี้ไปนะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานเนอะไม่ไกลไม่มากนะเอ่ยยี่สิบสองวันก็เป็นวันพระราชทานเพลิงศรีระขององคหลวงปู่ของพวกเราแล้วนะ่ะเดี๋ยวนี้งานกําลังคำเหม่งเกี่ยวก็ไปเรื่อยๆส่วนพระสงฆ์ท่านก็แปรว่าดดูซิมาดูซิกลางวันนะเอ่ยพุกผ่านไปหมดพูดต่อไฟก็ต่อไฟพูดต่อเครื่องเสียงก็ต่อเครื่องเสียง ผู้ต่อน้ำผู้ต่อน้ำผู้ทํากลางเต้นของกลางเต้นผู้ติดป้ายผู้ติดป้ายพระสงฆ์ทั้งหลายเกือบร้อยรูปน ะ, ะที่เรามาฉันนี่ยังน้อยเดียวนะองค์นี้ที่ตรงอื่นก็มีอีกสองสามจุดนะ่ะนี่แหละพระสงฆ์มีมากอย่านะันาา้ณาตาญาโยมทวนแล้วจะมาเพื่อช่วยงานองค์หลวงตาองค์หลวงปู่ของเราทางนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะมีส่วนร่วมเหมือนกันน ะ, อ, ะอย่างน้อยแบ ซื้อแปร์ซี่โคคาลามาถวายท่านสักขวดเนึ่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลไม่มีหลายแนวเหมือนกันนะในเมื่อเราไม่ได้มาทํางานกับท่านแต่เราก็ซื้อของมาถวายท่านให้เพื่อได้ฉันเพื่อหายเหนื่อยเมื่อท่านได้ฉันและท่านจะได้ทํางานก็นล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหมดนะถ้าผู้สแสวงบุญนะถ้ามู้งผู้ไม่สแสวงบุญก็อย่างว่าแ่ะ เห็นยังก็เฉยเสยคือยังลุกปูหลาเป็นว่าเสยพวกปันหมาปะหำนะเป็นว่า่นน <jack> <t Four> ่ะหมาปะห่ำน <four> ี <concrete randomized> <t S> ่เฉยเห็นคนก็ปวตื่นบวท่วงวนไปเี่พอในั่นพวกเขาจัเสยคือหมาปะห่ำยังลุกปูหลาว่าเนอะฝุกลาเนอะรับพ่ออันวัน